เตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพื่อลูกทุกคนฝ่าแดดลมฝนเหนื่อยอย่างไรพ่อไม่เคยวันเห็นท้องทุ่งนาขุนเขาอุดมสมบูรณ์ดินดีน้ำชุ่มเพื่อให้เราได้งอกได้งามตอนนั้นเนี่ยคนลุกขึ้นมาเลยแล้วก็เห็นท่านเนี่ยเป็นภาพยนตร์กรรณพระราชกรณียกิจหลยไงเนี่ยนะ แล้วก็เกิดนึกบทต่อไปว่าพ่อปลูกชีวิตปลูกความคิดให้ลูกพ่อพันผูกทำให้รู้อยู่ให้เห็นเหมือนกับเรื่องราวที่เสวนาเลยไม่น่าเชื่อนะว่าตอนนั้นอาตมาก็มีความรู้สึกถึงพ่อหลวงของเราอย่างนั้นเหมือนกันทำให้รู้อยู่ให้เห็นใช้ชีวิต เพื่อให้ลูกไม่ลำเค็นยากแสนเข็นเพียงไรลพ่ออดทนใช้ชีวิตเพื่อให้ลูกไม่ลำเค็นยากแสนเข็นเพียงไรลพ่ออดทนจักจะจําไม่ได้ยังมีต่อยนิดนึงลูกขอบอก จะเดินตามลอยเท้าพ่อมั่นคงต่อคําพ่อสอนอยู่เสมอใช้ชีวิตไม่ประมาทมัวปนเปลอือหวังเสมอให้พ่อสุขนิรันดรลูกขอบอกจะเดินตาม รอยเท้าพ่ออยู่แบบพอเพียรทำดีให้พ่อชื่นใจลูกขอบอกจะเดินตามรอยเท้าพ่อมั่นคงต่อคำพ่อสอนอยู่เสมอใช้ชีวิตไม่ประมาทมัวบนเปิ่อหวังเสมอให้พ่อสุขนิรันดร อย่างจำได้เป็นความรู้สึกสะเทือนใจแล้วก็เขียนบทเพลงบทนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ยังระลึกได้ถึงตอนนั้นอยู่เลยว่าเราก็มีความรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกถึงความเสียสละของพ่อหลวงและเราก็รู้สึกถึงบุญคุณที่เราอยู่ในแผ่นดินนี้เมืองนี้ได้อย่างร่มเป็ดเย็นเป็นสุข ก็พระบา ร, รมีของพระองค์จริงๆแล้วก็เราก็เห็นว่าท่านนั้นทรงเสียสละอย่างยิ่งใหญ่เพื่อพวกเราทุกคนจริงๆท่านไม่สามารถจะไปที่พุทธคยาไปที่สังเวชนิยสถานก็เพราะว่าท่านเป็นห่วงประชาชนท่านอยากจะบวชแบบอาตมาท่านก็ทำไม่ได้เพราะท่านยังมีภาระอยู่ สิ่งที่ท่านป่าธนาที่กำลังเรียนอยู่ตอนสมัยเรียนท่านก็ไม่สามารถจะเรียนต่อเพราะมาต้องมารับหน้าที่เป็นพระราชามีแต่เรื่องของการเสียสลับแล้วก็ทำหน้าที่เพื่อผู้อื่นจริงๆเป็นบุคคลต้นแบบที่เราจะต้องจารึกไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเรายังมีความเคารพเลื่อมใสศรัทธา คำว่าธรรมราชาก็จะไม่ห่างหายไปจากใจเราเราก็จะได้ผู้ที่เป็นบุคคลต้นแบบที่เรามีโอกาสที่สามารถจะสัมผัสเห็นชีวิตจริงๆเป็นตัวเป็นๆนให้เราเห็นตอนเรามีชีวิตอยู่สำหรับหลวงพ่อพุทธทาสหลายๆคนก็คงจะได้สัมผัสในชีวิตของท่านจริงๆแต่ตมามนิวาสนาน้อยได้รู้จักท่าน เพียงแค่หนังสือมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่อาตมานั้นได้ดีก็เพราะว่หนังสือขุมทัพย์จากพระโอษฐ์เป็นหนังสือที่หลวงพ่อพุทธทาสรวบรวมพุทธวจนะที่เกี่ยวข้องกับการที่จะทำอย่างไรให้เรานั้นเนี่ยเป็นพระพิสุท์ที่ดีทำอย่างไรเราถึงจะเดินตามคำสอนได้อย่างมั่นคงและก็รู้ว่าเราจะทาตัวอย่างไรถึงจะเป็นพระพิสุ์ ดีของพระพุทธองค์อาตมาก็ยังมีความรู้สึกประทับใจในหลวงพ่อพุทธทาสโดยการผ่านหนังสือขุมทรัพย์เจตโอดและอาตมาก็ใช้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการให้เรานั้นตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนความจริงแล้วเนี่ยมีอยู่ของสองบทที่สำคัญก็คือบทวา่าผู้ที่อยู่ใกล้พนิพพานกับผู้ที่ทำพรนิพพานให้แจ้งเนี่ย สองพระสูตรนี้เป็นสองพระสูตรที่อาตมาเนี่ยมีความประทับใจแล้วก็ให้อยู่ในใจแล้วก็เดินตามแล้วก็ปฏิบัติตามสองพระสูตรนี้เพื่อให้ใกล้พระนิพพานเพื่อให้ถึงพระนิพพานอยากรู้ไหมว่าสองพระสูตรนี้ว่าอย่างไรอาตมาจะขยายสั้นๆ น, นิดนึงนะว่าผู้ที่อยู่ใกล้พระนิพพานเนี่ยถือพวกเรานั้นอยากจะเป็นผู้ที่อยู่ ใกล้พระนิพพานากันบ้างพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าผู้ที่อยู่ใกล้พระนิพพานนั้นจะต้องเป็นคนข้อที่หนึ่งต้องรักษาศีลสำรวมอยู่ในศีลถ้าเป็นพระก็ต้องมีศีลตั้งสองร้อข้อถ้าเป็นคาราวะอย่างน้อยเราก็ต้องมีหข้อถ้าดีอาจฐานขึ้นอีกหน่อยก็อาจจะเป็นแปดข้อ ถ้าเป็นสัมมเนตก็เป็นสิบข้อเนาะอันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็จะต้องสมรวมอินทรีย์สมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้เรานั้นเ้าเรียกว่าสงบเหมือนเตา่าที่มีกระดองเป็นที่หลบภัยเราอาจจะมีกรรมฐานในการสมรวมใจถ้าเรานั้นสมรวม ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราได้เราก็จะสงบสุขเขาเรียกว่าไม่เปิดให้อกุศลหรือเปิดให้ช่องให้เรานั้นเนี่ยมีความวุ่นวายสับสนข้อที่3ก็คือการสำรวมในตัดใจสย4ให้เรานั้นสันโดษแล้วก็มีใช้สอยปัดใจสย4เหมือนพระเนี่ยก็มีแค่จีวรสามืน มีบากเป็นท้องมีจีวรเป็นปิกจะไปไหนก็เบาสบายหยุดยาเลยก็ไม่ต้องใช้มากใช่มที่พักก็อาศัยกุฏิอาศัยเรือนว่างอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้เรานั้นเนี่ยสามารถบำเพ็ญเพียรได้อย่างไม่ต้องกังวลอะไรพเพราะเรานั้นออกบวชก็เป็นการออกจากวัตถุกรรมทั้งหลาย ส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญอีกข้อหนึ่งการบําเพ็ญชาคิยธรรมก็คือการบําเพ็ญความตื่นเนี่ยซึ่งตอนนี้เรากําลังจะทํากันอยู่ด้วยแต่การบําเพ็ญชากริยธรรมนั้นพระพุทธองค์ทรงให้ปฏิบัติตอนยามที่หนึ่งของราตรียามที่สองนั้นก็จะให้พัก ส่วนยามที่สามนั้นจะให้ปฏิบัติต่อยามที่หนึ่งก็คือช่วงตอนเวลาตั้งแต่6โมงเย็นจนกระทั่งถึงสี่ทุ่มยามที่สองก็จะเป็นช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองส่วนยามที่สามนั้นก็จะเป็นช่วงตีสองถึงโมงนะแต่วันนี้เราพิเศษหน่อยเราปฏิบัติแห่งความตื่นอยู่เสมอทั้งสามยามเลยเราจะทำปฏิบัติในสันติ ก, กัน ซึ่งทั้งสี่ข้อเนี่ยถ้าเกิดใครได้สำรวมลิศีลสำรวมอินรีหรืออินสีละสังวรศีลแล้วแล้วก็สันโดษในปัจจัยสีแล้วก็มาบำเพ็ญเพียรเนี่ยในการเจริญสมาถกวิปัสสนาเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้พระนิพพานส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือผู้ที่ทำพระนิพพานให้แจ้ง เรื่องนี้เนี่ย จ, จะเป็นเรื่องของผู้ที่จะต้องออกจากกามแล้วก็ปลีกตัวออกมาถ้าเรายังอยู่ในบ้านถ้าเรายังมีงานยุ่งมีความกังวลอะไรต่างๆการปฏิบัติให้ได้ใกล้าพานนิพพานก็จะทำได้ยากเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของคนของนักบวชเป็นเรื่องสำคัญก็คือการที่เราไม่ยินดีกับการคุกคลีกับการเป็นหมู่คณะนั่นเอง ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติด้วยตัวเองงั้นการที่เรานั้นสามารถปลีกตัวออกไปปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมออกจากบ้านไปได้ก็อาจจะเป็นการช่วยสนับสนุนให้เรานั้นสามารถปฏิบัติสมาธิได้ลึกซึ้งขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่อาตมาก็ใช้ข้อธรรม ในพระสูตรสองพระสูตรนี้ในการที่อาตมานั้นไปอยู่ปฏิบัติที่พม่าที่วัดพระออก็ยังรู้สึกถึงบุญคุณของหนังสือคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในหลายๆบทต่างๆที่ใช้เอาไว้ทําให้เรานั้นมีความปลุกใจให้มีความรู้สึกอาถานในการปฏิบัตินะ มาก็มาพูดโยงมาถึงสุดท้ายก็คือเราได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนที่ท่านนั้นได้ทรงงานแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างของการปฏิบัติจริงๆแล้วที่เรารักพระองค์ท่านเพราะเรามีความสุขเรามีความประทับใจในสิ่งที่ท่านให้ความสุขกับเราแล้วท่านก็ท่านละไขได้เข้าไปใกล้ๆก็จะรู้ถึงบา ร, รมีของท่านที่ทำให้เรานั้นเนี่ยพิติุขแลวก็มีความเขาเรียกว่า แทบจะหลอมละลายยอมเิโลราบ ก, กับคําสั่งสอนหรือสิ่งต่างๆที่ท่านแนะนําลพ่อพุทธทาสก็เช่นเดียวกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ท่านก็จะให้ความเมตตาให้การสั่งสอนใครที่ได้อยู่ใกล้ชิดท่านก็คงจะได้พลังงานนั้นอย่างยิ่งยวดเช่นเดียวกันแต่บุคคลสุดท้ายซึ่งเป็นลิขิตพานไปนานแล้วต้องสอ0พกว่าปีมาแล้วนี่ เราไม่มีโอกาสไม่มีบุญที่จะได้พบกับท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่บางครั้งเราก็เลยรู้สึกถึงความห่างบางทีก็ลืมท่านไปเหมือนกันเพราะนานแล้วแต่บุคคลที่ยังมีศรัทธาแล้วก็มีใจที่ปฏิบัติตามคำสอนของท่าน แล้วก็มีความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติตั้งแต่ระดับศีลระดับอินทรีย์และสองวรศีลระดับสติสัมปชัญญะระดับสันโดษจนกระทั่งถึงระดับสมาธิระดับฌานจนกระทั่งถึงระดับวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆจนกระทั่งระดับวิมุตติสุขที่เกิดขึ้นได้ก็จะมีความรักพระพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้ น, ม า, นมากขึ้นเป็นลําดับเช่นเดียวกันธรรมากํำลังจะโยงให้เห็นถึงประเด็นของ ความศรัทธาที่จะทำให้เกิดถึงการเข้าถึงคุณธรรมแล้วก็ทำให้เรานั้นเนี่ยได้ใกล้ชิดกับบุคคลที่เรานั้นจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นที่พึ่งแก่เราได้อย่างแท้จริงโดยการโยงไปถึงพระตาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลวงพ่อพุทธทาสแล้วก็พระบรมศาสดาของเรา อยากจะโยงให้เห็นถึงว่าถ้าเรานั้นเนี่ยมีความศรัทธาแล้วก็เชื่อมต่อกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ดีเราก็จะมีเขาเรียกว่าความเชื่อมั่นศรัทธาในการที่จะนำเอาคำสอนต่างๆนั้นมาปฏิบัติขณะที่เรานั้นมีความศรัทธาในรักในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราก็จะนําข้อคิดคําแนะนําต่างๆที่ท่านเป็นต้นแบบให้กับเรานั้นเนี่ยนำมาเป็นต้นแบบชีวิตให้เราเดินตามและเราก็อยากจะปฏิบัติตัวเพื่อให้ท่านนั้นได้ชื่นใจเพื่อให้ท่านนั้นได้มีความสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ท่นุบํารุงราศาสนาแล้วก็ปฏิบัติ ตามศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เป็นผู้ที่มีความศรัทธาอย่างยิ่งท่านถึงสามารถถ่ายทอดพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน้อมมาปฏิบัติตนเองแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าผู้ที่สามารถใช้พระธรรมคำสั่งสอนแล้วก็มาปฏิบัติไี่ตนเองนั้นเนี่ยมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่เพียงไรมีชีวิตที่สามารถทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบเพียงไร ท่านเป็นบุคคลที่สามารถรักษาศีลแล้วก็ทำจารีตศีลก็คือการทำหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประสบนิกายได้อย่างดีท่านสามารถทำจารีตศีลในความเป็นพ่อที่ดูแลลูกความเป็นลูกที่ดูแลแม่ได้จริงๆเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าในขั้นของศีลและจรีตศีลเนี่ยให้เรากลับมามองสะท้อนว่าเหล่านั้นเนี่ยทได้ดีเพียงไรเมื่อเทียบกับท่านแล้ว แล้วก็มามองต่อไปว่าที่ท่านทรงงานยังมีความสุขไม่เหน็ดเหนื่อยเนี่ยแต่ดูเหมือนพักๆท่านไม่ได้ยิ้มเลยหมายถึงว่าท่านนั้นน่ะมีความสงบแล้วก็อยู่กับงานมีอารมณ์ที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกับงานไม่วอล์กแบ็กไม่ว่าจะเป็นงานพระราชทานปริญญาไม่ว่าจะเป็นทรงงานที่ไหนท่านไม่ปล่อยให้จิตใจของท่านเนี่ยออกไปนอกจาก เวลานั้นขณะนั้นปัจจุบันขณะนั้นกับคนที่อยู่ตรงหน้านั้นเพื่อให้งานนั้นเนี่ยส่งผลออกมาได้ตามเหตุตามปัจจัยตามหน้าที่ที่ท่านกําลังรับผิดชอบได้อย่างดียังไม่รู้จักเด็ดไม่รู้จักเหนื่อยเพราะท่านนั้นมีกําลังภาวนาหรือกําลังสมาธิอาตมาก็อยากจะพูดโยงต่อไปว่าเออแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านปฏิบัติสมาธิ กรรมฐานกองไหนเนาะอัตมาก็ไม่ได้ศึกษาลึกแต่เท่าที่ได้อ่านแล้วก็ได้เคยฟังบทความของท่านอาจารย์วิสิทธิเ ด, ดชกุลชรที่ท่านนั้นเคยอยู่ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายๆคนก็คงเคยได้ยินว่าท่านอาจารย์วิสิทธิเ ด, ดชกุลชรนั้นเนี่ยพูดถึงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงสนใจในการทำกรรมฐานมาก แล้วก็ถ้าเกิดท่านทรงทราบว่ามีข้าราชบริพาร น, นั้นสนใจในการปฏิบัติธรรมท่านจะให้ความเอาใจใส่ไปถามเหมือนกับสอบอารมณ์แล้วก็ให้กรรมฐานด้วยและเท่าที่อาตมาทราบจากท่านอาจารย์วิสิทธิ์เดชคุณชรก็ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงจเจริญอาณาปณสติ ซึ่งเป็นกรรมฐานที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องแล้วก็เป็นกรรมฐานที่หลวงพ่อพุทธทาสก็พูดแล้วก็ทรงแนะนำให้พวกเราปฏิบัติคราวนี้ในอนาปนาสติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงแนะนำท่านอาจารย์วิสิทธิ์เดชกุณชร น, นั้นเนี่ยมีความพิเศษอันนึงก็คือว่าท่านบอกว่าในการที่บุคคลที่จะทาอนาปนาสติ ถ้ายังมีความกังวลหรื อ, อยังรวมสมาธิไม่ได้เนี่ยท่านให้นับลมหายใจก็คือมีการนับลมหายใจเข้าหายใจออกหรือเข้าหายใจออกนับเป็นหนึ่งหรือเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่จนกระทั่งเข้าห้าแล้วก็ออกห้า แล้วท่านก็ให้นับกลับจากห้าออกห้าสี่ออกสี่สามออกสามสองออกสองแล้วก็หนึ่งออกหนึ่งเป็นความแยบยนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ไม่ให้เรานั้นเนี่ยนับไปเรื่อยๆบางคนนับไปถึง10นับไปถึง20แต่ปรากฏว่านับด้วยความที่เรานั้นเนี่ยเผลอแล้วก็ขาดสติถ้าเรานับไปยาวๆเราก็จะเพลินไปกับการนับ แต่ถ้าเกิดเรานับไปถึงแค่ห้าแล้วก็กลับไปกลับมาเนี่ยสติเราจะตั้งแล้วก็สามารถทบทวนทำให้เรานั้นเนี่ยไม่หลุดออกจากอารมณ์กรรมาฐานได้อันนี้ก็เป็นการทำอนัปนาสติในขั้นพื้นฐานที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยประคองใจอยู่กับลมหายใจและไม่ทาให้เรานั้นเกิดความคิดฟุ้งซ่านเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะมาจะเจริญภาวนาในการทำอนัปปา น, าปนาสติ แล้วก็มีการนับแบบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนําด้วยเราอยากทํากันไหมเดี๋ยวเรามาลองทําอานาปานสติแบบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนําสักพักหนึ่งแต่ก่อนที่เราจะทำเนี่ยอัตมาจะพูดถึงเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินิดหนึ่งเพื่อเราจะได้เจริญภาวนา และสามารถทําเหตุแห่งสมาธิได้ดีถ้าเราสามารถทําเหตุแห่งสมาธิได้ดีเรียกได้ ว, ว่าเราทาเหตุถูกผลก็จะเกิดขึ้นตามมาการที่เราสามารถอยู่กับลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้เรานั้นมีสมาธิเหตุใกล้ที่ทำให้เกิดมีสมาธิ คือสุขเวทนาหรือสุขกายหรือสุขของร่างกายของเราพระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้ว่าสุขเวทนาหรือความสุขนั่นแหละที่ทำให้เรานั้นเกิดสมาธิเวลาที่เราทำงานก็เช่นกันถ้าเราทำงานในที่จอแจในที่อากาศร้อนๆในที่ที่นั่งไม่สบายเรากไ็ไม่สามารถที่จะมีความสุขอยู่กการทำงานได้ในขณะที่เราป่วย ในขณะที่เราปวดท้องปวดหัวเราก็ไม่สามารถทำสามาธิได้เช่นเดียวกันดังนั้นเหตุใกล้ที่สำคัญก็คือร่างกายของเราเนี่ยที่มีความสุขมีความสบายแล้วเราก็รับรู้ความสุขความสบายนั้นได้อย่างเช่นตอนนี้ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ว่าอากาศเย็นๆสบายๆเรากำลังนั่งในท่าที่สบายแล้วหรือ ย, อยัง เดี๋ยวเราจะมาลองทําความสบายให้กับตัวเรามาทําความสบายที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือความผ่อนคลายของร่างกายนั่นเองเดีย๋ยวเราจะมาลองนั่งให้สบายนะ <S <S ใครที่สามารถนั่งสบายแล้วก็ไม่ต้องปรับใครที่ยังนั่งไม่สบายลองมานั่งขัดสมาธิอาตมาไปปฏิบัติที่พม่าเนี่ยเขามีการแนะนําให้นั่งสมาธิ ที่แตกต่างกับที่เมืองไทยเราอย่างหนึ่งก็คือว่าของเราเนี่ยมักจะนั่งขาขวาทับขาซ้ายแต่ที่พมา่าหรือการนั่งสมาธิแบบพมา่าเขาจะเรียกว่านั่งแบบเรียงขาก็คือเอาขานั้นเนี่ยไม่ซ้อนทับกันเรียงกันอยู่ข้างหน้าการนั่งแบบนี้จะทําให้เรานั้นนั่งได้นานขึ้นและก็ทนขึ้นถ้าเราลองทดลองดูแล้วก็ถ้าเกิดใครที่นั่งสมาธินานๆจะรู้เลยว่า ถ้าเรานั้นเนี่ยมีเบาะเล็กๆหนุนสะโพกให้สูงขึ้นหน่อยหนึ่งให้สะโพกของเรานั้นเนี่ยสูงกว่าขาของเราจะทำให้เรานั้นเนี่ยนั่งสมาธิได้สบายขึ้นกระดูกสันหลังของเราจะตั้งตรงและเราก็จะไม่ต้องเกร็งหรือขืนร่างกายในการทำให้กระดูกสันหลังของเรานั้นตั้งตรงตอนนี้เรานั่งอยู่บนทรายบางที่ก็อาจจะมีที่เป็นเนินเล็กๆแล้วเราสามารถ น, นั่งให้สูงกว่าหรือใครที่มี ผ้าห่มหรือใครที่มีผ้าพันคอลองพันเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็ลองมาหนุนสะโพกของเราให้สูงขึ้นนะแล้วก็ลองนั่งเรียนขาดูอเดี๋ยวเราลองมาปรับท่านั่งกันดูอาตมาก็จะปรับท่านั่งตามด้วยเมื่อเรานั่งได้รู้สึกไม่ต้องเกร็งตัวเองในการตั้งตัวให้ตรงได้แล้วเนี่ย แสดงว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเรานั้นสบายตัวคราวนี้เราจะนั่งให้ตั้งกายตรงดารงสติได้มั่นได้อย่างไรเพราะว่าพระทุกองค์เนี่ยทรงแสดงไว้ว่าบุคคลจะทาอนาปนสติจะต้องไปหาโคนไม้ตอนนี้เราก็ได้โคนไม้แล้วต้องไปหาเรือนว่างบุคคลที่นั่งอยู่ในหอจดหมายเหตุ ในที่โล่งก็อาจจะเป็นเรือนเรือนว่างได้เช่นกันบางคนก็อยู่ในเต็น์โอ้ตอนนี้เราครบเลยเมื่อเราได้ที่ที่สั ป, ปะยะใต้ต้นไม้ได้เรือนว่างแล้วเราก็มานั่งคู่บาลังตอนนี้เราก็ได้ท่าที่คู่บาลังแล้วและเรากำลังจะตั้ง ก, กายตรงดารงสติให้มัน่นเราจะตั้งกายตรงแล้วก็ผ่อนคลายได้อย่างไร ถ้าเราหนุมสะโพกแล้วก็ช่วยได้บ้างคราวนี้อาตมาจะให้เทคนิคที่ทำให้เรานั้นตั้งกายตรงขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายลองทำตามอาตมาดูนะลองขาแบวท้องเกรงสะโพกเหมือนเราคั้นอุจจาระตอนนี้เราจะรู้สึกตึงบริเวณช่วงล่างของลำตัวเราค่อยๆ ย, ยืดตัวขึ้นเปิดไหล่หายใจเข้าลึกๆ ให้รู้สึกตัวเรานั้นเต็มไปด้วยลมหายใจตอนนี้เราจะรู้สึกแน่นตึงร่างกายเราก็จะตั้งตรงศีรษะตั้งให้ตรงแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกรับรู้ความผ่อนคลายความสบายความอ่อนตัวของร่างกายเราตั้งแต่แผ่นหลังหัวไหล่ต้นคอจนกระทั่งถึงสะโพก รับรู้ความสบายสบายของร่างกายของเรานนหนึ่งสักพหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะขมแมวท้องกลิ่สะโพกหายใจเข้าให้ลำทัวขึ้นเปิดไหล่หายใจเข้าไปอีกการที่เรารับรู้ความตึงของร่างกายเราชัดจะทำให้เรานั้นสามารถรับรู้ความผ่อนคลายของร่างกายได้ชัดเช่นเดียวกัน ตอนนี้เราตึงไปหมดแล้วหายใจเข้าอีกนิดนึงรับรู้ความตึงของทั้งล่างกายแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกยาวๆรับรู้ความผ่อนคลายของร่างกายตั้งแต่ต้นคอแผ่นหลังจนกระทั่งถึงสะโพกแล้วก็อยู่กับความผ่อนคลายความสบายของร่างกายสักสองสาลมหายใจ รับรู้ถึงอากาศที่เย็นสบายที่ผ่านเข้าออกในร่างกายของเราที่กระทบผิวหนังของเรารับรู้ถึงความสุขความสบายที่เราสัมผัสได้รับรู้ถึงความสงบของใจของเรา วันนี้เราได้ขึ้นปีใหม่เทวดาก็อำนวยพรโปรยน้ำมนต์ให้กับเราแล้วก็ทำให้อากาศตอนนี้ของเรานั้นเย็นสุขสบายพวกเรานั้นมีบุญกันจริงๆเพราะเราได้อยู่ได้ละลึกถึงผู้ที่มีบุญครั้งที่สาม เกรงสะโพกยืดลําตัวขึ้นหายใจเข้าเปิดไหล่ตั้งตัวให้ตรงจัดระเบียบร่างกายและกระสีสั์หายใจเข้าลึกๆอี ก, กทีนึงรับรู้ความตึงไปทั้งร่างกายและค่อยๆผ่อน ล, ลมหายใจออกไปทุกอย่างนั้นไหลลงสู่พื้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพื้นโลก รับรู้ความสบายของแผ่นหลังหัวไหลจนกระทั่งถึงสะโพกอยู่กับความสบายนั้นสักสองสามลมหายใจตอนนี้เรามีร่างกายที่สบายสบายดีแล้วเดี๋ยวเราจะผ่อนคลายต้นคออีกนิดนึงวันนี้เรานั่งมานานนะ ค่อยๆหันศีรษะไปทางด้านซ้ายจนกระทั่งเรารู้สึกตึงที่ต้นคอความตึงปรากฏชัดที่ต้นคอเมื่อความตึงปรากฏชัดดีแล้วค่อยๆหันศีรษะกลับมาตรงกลางรับรู้ความโลง่งความสบายของต้นคอและค่อยๆหันศีรษะไปทางด้านขวาจนเรารู้สึกตึงที่ต้นคอ เม่ความตึงปรากฏชัดที่แล้วค่อยๆหันกลับรับรู้ความโล่งความเบาสบายของบริเวณตน้นคอกัดมาถึงกลางค่อยๆ ค, คมศีรษะลงคมหน้าลงจนเราตึงที่ตน้นคอเม่ความตึงปรากฏชัดที่แล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นรับรู้ความเบาความรอยขึ้น คามคลายตัวของกล้ามเนื้อต้นคอจนแงนหน้าขึ้นเงยนหน้าขึ้นจนเราตึงที่ต้นคออีกทีหนึง่งแล้วค่อยๆเงยหน้ากลับมาขยับกลับมาตรงกลางขยับคอเบาๆให้รู้สึกว่าต้นคอของเรานั้นผ่อนคลายบริเวณนี้เป็นบริเวณที่สําคัญมากต้นคอและหัวไหล่ จะเป็นบริเวณที่ถ้าเกิดเราทําสมาธิไม่ดีเราจะตึงแล้วเราก็จะบาดเจ็บบริเวณนี้ดังนั้นเราต้องผ่อนคลายบริเวณนี้ก่อนผู้ที่สมาธิดีก็จะสามารถผ่อนคลายบริเวณนี้ได้ดีตอนนี้เรามีร่างกายที่ผ่อนคลายดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าของเราอีกนิดนึง ลองเม้มตาแน่นๆขมวดคิ้วแล้วก็คลายเลิกหน้าผากแล้วก็คลายให้กล้ามเนื้อบริเวณคิ้วบริเวณหน้าผากของเราผ่อนคลายเราจะไม่ผูกโบในขณะทําสมาธิเราจะมีใบหน้าที่สงบผ่อนคลายมาสํารวจบริเวณขากรรไกรของเราขยับเบาๆถ้าเรากัดรันยิ้น ฟันกระทบกันเวลานั่งสมาธิก็จะทำให้เกิดอาการแข็งลาการเกร็งตึงได้พยายามให้ฟันอย่ากระทบกันอย่าดุลิ้นและก็อมยิ้มน้อยๆการที่เราอมยิ้มเราจะใช้กล้ามเนื้อน้อยที่สุดและกล้ามเนื้อก็จะได้ผ่อนคลายเบาสบายที่สุด และถ้าเกิดเราอมยิ้มและนึกถึงรอยยิ้มของพระพุทธองค์ด้วยแล้วให้เราอมยิ้มนึกถึงรอยยิ้มที่เปลี่ยมไปด้วยสุขที่ท่านนั้นเสวยวิมุติสุขที่ท่านนั้นปราศจากกิเลสถ้าเราได้ชื่นชมและรู้สึกถึงคุณของความปราศจากกิเลสเราก็จะพิติุข รอยยิ้มของเราก็าจะเต็มเตี่ยมไปด้วยปิติสุขผ่องใสเช่นเดียวกับพระพุทธองค์เรามีพระพุทธองค์เป็นต้นแบบแตอนนี้เรากําลังนั่งตัวตรงเหมือนคืนตัชรู้ที่ท่านนั่งอยู่ใต้ต้นโพเราจะเห็นแต่รูปของพระบระมศาสาศาดาที่ท่านนั่งสมาธิท่านกําลังแสดงให้เห็นว่าสมาธินั้นเป็นเรื่อง ที่มีประโยชน์และก็จําเป็นจริงๆและก็เป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นธรรมตอนนี้เรากําลังปิติสุขมีความผ่องใสบริสุทธิ์อยู่กับคุณของพระพุทธเจ้า ให้เราระลึกถึงคุณของความปราศจากกิเลสของพระพุทธองค์ให้เรามีความผ่องใสมีรอยยิ้มที่เต็มเตี่ยมไปด้วยความสุขเหมือนกับพระพุทธองค์และให้เราแผ่รอยยิ้มนั้นมาที่ร่างกายของเราให้ร่างกายของเรานั้น รับรู้ถึงความสุขความเบาสบายเช่นเดียวกันแต่นี่ร่างกายของเรานั้นเป็นเหมือนก้อนแห่งความสุขใจเราก็รับรู้ถึงก้อนแห่งความสุขนี้ได้เป็นความสุขที่เรานั้นมีความเรื่มใส่ศรัทธาในพระพุทธองค์ด้วยเป็นความสุขที่เราเห็นคุณ ของความปราศจากกิเลสคุณของพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เราจะขยายความสุขที่เกิดขึ้นในตัวเรานั้นให้กว้างขึ้นไปอีกให้อยู่ในใจเรามากขึ้นอีกโดยการทำนิ้ตาภาวนาให้กับตัวเอง ให้เรารับรู้ถึงความสุขความสบายของร่างกายของเราและก็แทบภาวนาในใจว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขรับรู้ถึงความสุขที่เกิดขึ้น ร่างกายของเราที่เกิดขึ้นในใจของเราแล้วก็ภาวนาในใจกำกับไปว่าขอให้พระเจ้ามีความสุขตอนีร่างกายและจิตใจของเรานั้นเป็นเพียงแต่ก้อนแห่งความสุขบางคนอาจจะเห็นว่าก้อนแห่งความสุขนั้นสว่างสวัยท่องใส รู้ถึงความสุขของร่างกายของเราเมื่อเรามีความสุขดีแล้วเดี๋ยวเราจะแผ่ความสุขไปให้กับคนรอบๆข้างของตัวเราก่อนเราจะขยายก้อนแห่งความสุขนี้ให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นออกไปในทุกทิศทุ ก, ท, ก, ท, ก, ท, กทางเพื่อแผ่ไปให้กับบุคคลที่อยู่ข้างๆเราขอให้เป็นเพื่อนทุกๆคนที่มาปฏิบัติ ในคืนนี้จะมีความสุขมีความสุขกายสบายใจเพราะเรารู้ว่าความสุขกายสบายใจนั้นเป็นเหตุให้เรานั้นเกิดสมาธิเราอยากให้เขานั้นเจริญภาวนาได้ก้าวหน้าแล้วเลยแผ่พลังแห่งความสุขเจริญเมตตาไปให้กับทุกๆคนที่อยู่รอบๆตัวเราในที่นี้ขอให้เขาทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขขอให้ท่านทั้งหลายรอบๆตัวเราจงเป็นผู้ที่มีความสุขในสถานเลี้ยงนี้ยังมีบุคคลที่เราไม่สามารถจะเห็นเป็นตัวเป็นตนได้แล้วก็ยังมีสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ที่เราก็ควรจะเจริญเมตตาแล้วก็ส่งความสุขให้กับท่านเดี๋ยวเราจะส่งความสุขให้กับสัปรปสัตว์ทั้งหลายส่งความสุขให้กับเทวดาที่ดูแลในสถานที่แห่งนี้ให้ท่านได้อนุโมทนากับเราให้ท่านได้อำนวยพรและก็อนุโมทนากับเราด้วยขอให้เทวดาและสัปรปสัตว์ทั้งหลายในสถานที่แห่งนี้จงมีความสุข เทพดาและสรรพสัตว์ทั้งหลายในสถานที่แห่งนี้จงมีความสุขบางท่านก็อาจจะนึกไปถึงบุคคลที่บ้านนึกถึงบุคคลอื่นที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสถานที่แห่งนี้และเราก็มีใจที่อยากให้เขามีความสงบสุขเหมือนเช่นที่เรากาลังนั่งอยู่ในสถานที่แห่งนี้จะมีกี่คนหนอ ที่มาได้อยู่ในสถานที่แห่งนี้กําลังเจริญภาวนาในค่ําคืนปีใหม่นี้กําลังอยู่ในความเงียบสงัดใต้ต้นไม้นั่งบนถืงทรายในอากาศเย็นเย็นสบายสบายเราปรารถนาให้ผู้อื่นได้มีความสุขเหมือนเราเดี๋ยวเราจะแผ่ความสุขของเรานั้นออกไปให้กว้างกว่านี้ ออกไปรอบๆตัวเราออกไปยังเขตจตุจักรออกไปยังหลายๆเขตในกรุงเทพมหานครให้ก้อนความสุขของเรานั้นแผ่ออกไปในทุกๆที่ในกรุงเทพมหานครให้ชาวกรุงเทพมหานครให้สัตว์สัตว์ทั้งหลายในกรุงเทพมหานครนนจงมีความสุขขอให้ท่านทั้งหลาย จงมีความสุขต่อให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขกลับมาลับรู้ถึงความสุขความสบายของร่างกายของเราอีกทีหนึ่งมาลับรู้ถึงความเย็นของอากาศที่สัมผัสผิวเรามาลับรู้ถึงความสดชื่นของลมหายใจมาลับรู้ความสงบสุข เราอย่างคิดถึงบุคคลที่ไกลออกไปอีกในต่างจังหวัดในภาคกลางในหลายๆภาคที่เขากำลังอาจจะหลับไหลอยู่หรือบางคนก็อาจจะมอมเมาเฉลิมฉลองกันอยู่แต่เหล่านั้นเป็นผู้ที่เรามีความสงบสุขเราจะส่งความสงบสุขของเรานั้นออกไปเต็มประเทศไทยของเราเลย ให้เราส่งไปให้ได้ทุกๆภาคขอให้สักการะทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยนี้จงมีความสุขขอให้สักการ์ทั้งหลายที่อยู่ในดินแดนแห่งนี้จงมีความสงบสุขเราจะแผ่กว้างออกไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศธรรมะประเทศลาวประเทศกรรมัมพูชาออกไปอีกทั้งวีปเอเชียแถบยุโรปวีปอเมริกาออกไปยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทั่วทั้งโลกทั่วทั้ง31มบภพภูมิเราให้สัตว์ตระสาททั้งหลายในทุกทิศทุกทางจงมีความสุข งมีความสุขกายสบายใจขอให้สาธุษย์ทั้งหลายจงมีความสุขกายสบายใจกลับมารับรู้ถึงความสุขของเราตอนนี้ความสุขของเรานั้นกว้างขวางเหลือเกินตอนนี้ใจของเราก็สงบสุข กายของเราก็าผ่อนคลายเราจะใช้ใจที่สงบสุขบนร่างกายที่ผ่อนคลายนี้เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกสักพักหนึ่งเราจะเฝ้าดูลมหายใจออกบริเวณปลายจมูกเราจะไม่ตามลมเข้าไปในท้องไม่ตามลมออกไปข้างนอก เราจะเอาใจของเรานั้นเฝ้าอยู่ที่ปลายชโมเหลือรึงผิวปากเล็กน้อยรู้ว่าลมหายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้ารู้ว่ามีลมหายใจออกก็รับรู้ว่ามีลมหายใจออกเราจะรับรู้ว่ามีลมเข้าลมออกด้วยใจที่ปิติสุขเพราะเราคาลังทำตาม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรากําลังเจริญอาณาปานสติเพราะเรามีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ในการเจริญสมาธิเราจะรู้สึกปิติสุขทุกครั้งที่เรารับรู้ถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออก บางครั้งลมหายใจเข้าก็สั้นออกก็สั้นบางครั้งเข้าก็ยาวออกก็ยาวเราก็รับรู้เขาอย่างเป็นธรรมชาติเราจะไม่บังคับลมเราจะปล่อยลมให้เขาเบาสบายเขาจะสงบแผ่วเบาและวก็เบาสบายถ้าใจเราสงบและเมื่อกายเราสบายใจสงบ เราก็จะเห็นลมเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติถ้าเรามีความคิดฟุ้งซ่านเข้ามาแล้วก็ปล่อยให้ความคิดนั้นผ่านไปโดยไม่ต้องไปร่วมมือกับเขาเพราะงานของเรานั้นมีเพียงแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก เจตนาว่าเราจะอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกตอนนี้เราก็เริ่มอยู่กับลมหายใจของเราได้ดีพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มการกำกับด้วยการนับและเรากำลังจะนับ ตามแบบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนำและก็เพิ่มการปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์และเพื่อที่เราจะได้ทำสมาธิได้มั่นคงขึ้นอารมณ์กรรมฐานของเราคือลมหายใจการนับเป็นเทียงการกํากับ ให้ใจนั้นยังอยู่กับลมได้ตัวเลขที่นับไม่ใช่อารมณ์กรรมาฐานของเราเรายังมีความสุขมีความชื่นใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกแต่การนับเป็นการกำกับให้เราไม่เพลิสติงั้นเดี๋ยวเราจะใช้ความเข้าใจนี้นับลมหายใจเข้าและออกถึงห้าแล้วก็ย้อนจากห้ามาถึงหนึ่ง อีกสักประมาณสิบห้านาที